ชีวิตตินทรียะมูลกระในสองอนุชีวิตติทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมนณ ส, สินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราศจากสมณ์กำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากโสมนั์ในประวัติการชีวิตติทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนณ ส, สินรียไม่เท่ากำลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นสมนัตกำเนิดอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสมนัติในประวัติการชีวิตินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมนัติสินทร์สีก็กำลังเกิดปฏิสมนัติสินร์สีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทร์สีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทร์สีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด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 และอุเปกินรีก็กำลังเกิดปฏิอุเปกินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัจตินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะกำลังอุบัติในอุปาทภณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาในประวัติการ LAKE ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตทินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสเหตุถูกะกำลังอุบัติในอุปาทภณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาในประวัติการชีวิตินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัตทินรียก็กำลังเกิดปฏิสัตวินซีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุ ชีวิตจริงสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญานวิปยุ์กำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่วิปยุตจากยาในประวัติการชีวิตจริงสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นยาณสัมปยุต์กำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่ส this, universe, right? <EL> ัมปยุตด้วยยาในประวัติการ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 ชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิเนียงกำลังเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติในอุปาทภณะแห่งจิตในประวัติการชีวิตินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมิเนียงกำลังเกิดและมณินทรียก็กำลังเกิดปฏิมณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ ชีวิตทรียะมูลกะะในจบสมณสินทรียะมูลกะในสอง้อยเก้าอนุโสมณสินรีนอนนของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเปกขินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิอุเปกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมณสินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ โสมนัสสินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสัตทินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิในอุปาทภณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสและที่วิปยุทธ์จากศัทธานในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตทินสีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทภณะแห่งจิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสและศรัทธาในประวัติการ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสัจทินสีก็กำลังเกิดปฏิสัททินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดสมณสิณสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุกะแต่มีจิตปราศจากสมณกำลังอุบัตในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุติศัทธาและที่วิปยุยจากสมในประวัติการ สัตทินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสมนัสสินรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะเห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยศรัทธาและโสมนัสในประวัติการสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสมนัสสินรียก็กำลังเกิดอนุโสมนัสสินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีจ <c oughs> like ิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสและที่วิปยุตจากยานในประวัติการโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ปัญญสียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสและยานในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตได้โสมนัสและยานในประวัติการ สมณสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญรียก็กําลังเกิดปฏิปัญญรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสมณสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มิจิตปราจจากสมณ์กําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยญาณและที่วิปยุตจากสมนั์ในประวัติการ ปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สมณสินทรียไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีจิตเป็นสมณะกำลังอุบัติในอุปาทคณาแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณและสมนัะในปวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและสมณสินทสนียก็กำลังเกิดอนุสมณสินทรียของบุคคลใดในภูมิดายกำลังเกิด มนณีสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนนิรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสมนัตสินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่มิจิตปราศจากโสมนัตกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัตในประวัติการมนนิทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่โสมนัตสินรีย์ไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลมีจิตเป็นโสมนัสกําลังอุบัติในอุปาทขณะเห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยโสมนัสในปวัติการมณิสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและโสมนัสศินสีก็กําลังเกิดโสมนัสสินทรียามูลกะในจบอุเปขินทรียามูลกะในสองยเจ็อนุอุเปขินรีของบุคคลใดในภูมินใดกําลังเกิดสัตสินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้เป็นอเหตุุกะและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุติอุเบกขาและทิวิปยุติจากสัทธาในประวัติการอุเบกินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่สัตวินรีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลมีจิตเป็นอุเบกขาและเป็นอะเหตุุกะกำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุติอุเบกขาและสัทธาในประวัติการอุเบกินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด สัตถินสีก็กำลังเกิดปฏิสัตถินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเบกินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุตุกะแต่มีจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุติศรัท ธ, ธาและที่วิปยุติจากอุเบกขาในประวัติการสัตถินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกินสีไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้เป็นเหตุกะและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทคณะแห่งจิตที่สัมปยุดิสัทธาและอุเบกขาในประวัติการสัจทินรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและอุเบกินรียก็กำลังเกิดอนุอุเบกินรีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ ในอุปาทัขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาและที่วปะยุทธ์จากญาณในปวัติการอุเบกินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินสีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุทธ์และมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทัพขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุเบกขาและญาณในปวัติการอุเบกขินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินสีก็กําลังเกิดปฏิ ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดอุเบกขินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตแต่มิจิตปราศจากอุเบกขากำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยญาณและที่วิปยุตจากอุเบกขาในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่อุเบกขินทรีย์ไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นญาณสัมปยุตและมีจิตเป็นอุเบกขากำลังอุบัติ ในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมประโยชน์ด้วยยางและอุเบกขาในประวัติการปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและอุเบกขินสีก็กําลังเกิดอนุอุเบกขินรีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดอุเบกขินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิ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 อุเปขินทรียะมูลกะในจบสถินทรียะมูลกะในสองร้อยสิบเอ็ดอนุสถินสีของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดปัญญรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นเหตุถูกะแต่เป็นญาณวิปยุ์กำลังอุบัติในอุปาท่าขณะแห่งจิตที่สัมปยุติศรัทธาและที่วิปยุติจากญาณในประวัติการ สตินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ปัญญินซีไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นเสห์ุกะและเป็นญาณสัมปยุคกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิศรัทธาและญาณในประวัติการสตทินซีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและปัญญินซีก็กําลังเกิดปฏิปัญญินซีของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสตทินซีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหม วิใช่อนุสัตถินรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัตถินรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นอเหตุตกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากศรัทธาในประวัติการ มณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัตทินทรียไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้เป็นสเสหตุกะกําลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธิศัทธาในประวัติการมณินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและสัตทินทรียก็กําลังเกิดสัตทินทรีมูลกะในจบปัญญทรีมูลกะใน12องรอยสิส อ, อนุ ปัญญินทรีย์ของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมนินทสัยของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิมนินทรียของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดปัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้แต่เป็นญาณวิปยุทธกาลังอุบัติในอุปาทัคขณะแห่งจิตที่วิปยุทธจากญาในประวัติการมนินทรียของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิด แต่ปัญญินีไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้เป็นยาณสัมปยุกกำลังอุบัติในอุปาทภขณะแห่งจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยยานในประวธติการมนินทรียีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและปัญญีนีก็กาลังเกิดปัญญทรียมูลกะในจบ ปัจจนีกะบุคคลจกขุนทริยะมูลกะในสองรอยสิบสามอนุจกขุน ส, นสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจกักรูขเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กำลังอุบัติจกขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ บุคคลผู้มีจักขูและโสตะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิโสตินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้จักขูเกิดได้กำลังอุบัติโสตินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีโสตะและจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจกักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดครานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้พระเนเกิดได้กาลังอุบัติจักขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่คานินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขคูและคาเนะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคาเนนรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิคาินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคาเนะเกิดไม่ได้จักขครเกิดได้กำลังอุบัติ คาณินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จกักขุนซีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะและจกักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานินทรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจกักขุนซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจ wow. so ักขุนซีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้อิทิเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทินศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจากขูและอิทิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขุนศีของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอิทินศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทิเกิดไม่ได้จากขูเกิดได้กำลังอุบัติ อิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จักขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติบุคคลมีอิทีและจักขุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและจักขุญสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้ปุริจักเกิดได้กําลังอุบัติ จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ปุริสินศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่และปุริสสะเกิดไม่ได้กัลมงอุบัติจากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปุริสินศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้จากขู่เกิดได้กำลังอุบัติปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่เนื้อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลมีปุริสะและจากขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจากขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม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 З, จกักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสมณสินศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสมณสินศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจักขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้แต่มิจิตปราชจากสมณกำลังอุบัติสมณสินศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จักขุญสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมนัตกกำลังอุบัตโ ส, สมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจกักขุนสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุจักขุนสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอุเบกขินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นอุเบ ค, คากาลังอุบัต จากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อุเปกินศีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากอุเบคากำลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอุเปกินศีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิอุเปกินศีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 สัจทินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้แต่เป็นเหตุถูกะกําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัจทินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้และเป็นเหตุถูกะกําลังอุบัติจากขุนสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัจทินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิ สทินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดจากขุนซีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุกะแต่มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัติสตินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่จากขุนซีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นอเหตุกะและมีจักขุเกิดไม่ได้กำลังอุบัติสตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและจากขุนซีก็ไม่ใช่กำลังเกิด จักขุนศีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปัญญีศีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้แต่เป็นญาณสัมปยุคกําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ปัญญีศีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุคกําลังอุบัติจักขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และปัญญิีสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิปัญญีสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่ไม่จักขู่เกิดได้กําลังอุบัติปัญญีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่จากขุนสีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติ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 จากขุนศีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนิณีศีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมนณีศีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่จากขุนทริยมูลกะในจบครานินทริยะมูลกะในสองอสิบอนุครานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด อิทินิสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้อิทธิเกิดได้กำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่อิทธินิสียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติบุคคลผู้มีคานะและอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานินรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทินิสียก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิ ทิทธิศีลของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคาินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กําลังอุบัติอิทธินศีลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิและคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติอิทธินศีลของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิด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 และปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้คานะเกิดได้กำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะและคานะเกิดไม่ได้กาลังอุบัติ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 และชีวิตินทรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุคานินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสสินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคาณะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัสกำลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สมณสินสีสไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมีจิตปราศจากโสมณ์กําลังอุบัติคานินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสมนณสินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิสมนณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้ แมิจิตปรเสจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คาเนนรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และมิจิตปรเสจากโสมนัสกำลังอุบัติโสมนัสสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินทรียก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด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 และคานินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้แต่เป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติคานินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัตทินรีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และเป็นเหตุกกะกำลังอุบัติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้และเป็นยาณวิปยุตกำลังอุบัติคานินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปัญญินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิปัญญินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นยาณวิปยุตแต่มีคานะเกิดได้กาลังอุบัติปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่คานินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัตปัญญินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานินรีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุคานินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัต คานินทรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนินทรีย์ไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีจิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคาเนนรียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนินรีย์ก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิมนินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่คานินทริยะมูลกะในจก อิทินทรียมูละกะในสองยสิบหอนุอิทินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสีของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้กำลังอุบัติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทีและปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติ อิทธินิสของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปุริสินิสยก็ไม่ใช่กําลังเกิดปติปุริสินิสยของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินิสัยของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปุริสินิสัยของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินิสไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริสานและอิทธิเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ ปุริสินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและอิทธินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุไอทธินรีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้กำลังอุบัติอิทินรีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตินทรียไม่ใช่มีกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติอิทินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทรียีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิชีวิตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุอิทธินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสเซนทรสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคนผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมนัสกาลังอุบัตอิทธินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังเกิด แต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่้อกำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และมีจิตปราจากโสมณ์กำลังอุบัติอิทธินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสมนณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดอิทธินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ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 และอิทธินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุอิทธินีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัจทิน ah ja iana, ีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นเหตุกะกำลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัจทินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กาลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นเหตุกะกาลังอุบัติ อิทธินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัตทินรียก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิสัตทินรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุตุกะและมีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติสัตทินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่อิทธินรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุสกําลังอุบัติอิทธินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญีนีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิปัญญีนีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทธินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุสแต่มีอิทธิเกิดได้กําลังอุบัติปัญญีนียของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่อิทินซีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีอิทธิ์เกิดไม่ได้กําลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและอิทินซีก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุอิทินซีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมัญญินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีอิทธิเกิดไม่ได้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติ อิทินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่มนินทรีไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กันมาอุบัติอิทินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและมนินทรีก็ไม่ใช่กําลังเกิดปฏิมนินทรีของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดอิทินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเกิดใช่ไหมวิใช่อิทินิยมูลกะในจบ ปุริสินทรียะมูลกะในสออยสิบอนุปุริสินซีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตจินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ชีวิตจินทรียไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติปุริสินซีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด และชีวิตินทร์สีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุปุริสินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนณสินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสสะเกิดไม่ได้แต่มีจิตเป็นโสมณ์กำลังอุบัติปุริสินทรียีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สมณสินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำเนิดจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้และมีจิประแจางสมณกำเนิอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสมณสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสมณสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินสีของบุคบคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสะเกิดได้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 และปุริสินสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินสีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัจทินสีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดไม่ได้และเป็นเหตุตุกะกำลังอุบัติปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่สัจทินสีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดไม่ได้และเป็นอเหตุตุกกะกำลังอุบัติ ปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและสัตทินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดปฏิสัตทินีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอหตุกะและมีปุริจะเกิดได้กำลังอุบัติสัตทินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ปุริสินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติ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 บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติบุคคลผู้มีปุริสะเกิดไม่ได้และเป็นญาณวิปยุตกําลังอุบัติปุริสินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและปัญญินรียก็ไม <pack aging> ่ใช่กําลังเกิดปฏิปัญญินรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดปุริสินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตแต่มีปุริสะเกิดได้กําลังอุบัติปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่ปรุร no no right ิส no anyway, mm. ินีไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุตและมีปุริสจะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติปันินีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและปุริสินีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุปุริสินีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนินีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีปุริสจะเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังอุบัติ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 ชีวิตตินทริยมูลกะในสองร้อยสิบเจ็ดอนุชีวิตติณรียของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดโสมนัสินรีย์ของบุคคลนั right. Risk Risk ้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิโสมนัส <ass> ิน <starters> รีย <problemas hesive mixed> <fragile. ician> ์ของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตติณรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลมีจิตปราศจากโสมนัสกำลังอุบัติในอุปาทขณะแห่งจิตที่วิปยุจจากโสมนัสในประวัติการ โสมนัสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตจินทรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการโสมนสินสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตจินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุชีวิตจินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดภูเปกขินรีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ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 และชีวิตินทรีสีก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุชีวิตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดสัตทินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัตตินทรียีของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดชีวิตินทรียีของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นอเหตุตุกะกำลังอุบัติในอุปาทขณะเห็นจิตที่วิปยุตจากศรัทธาในปวัติการ สตินรี um, Emperor, ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินรียไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการสตินรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุชีวิตินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดบัญญินรียของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ ปัญญินทรียของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นญาณวิปยุทธกาลังอุบัติในอุปาทาขณะแห่งจิต ท, ที่วิปยุทธจากยานในประวัติการปัญญิ wildlife, นทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทรีย์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังคขณะแห่งจิตในประวัติการปัญญินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด และชีวิตินทร right? right. ีย์ก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุชีวิตินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดมนินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปติมนินทรีย์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนินทรีย์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ชีวิตินทร์สีมิใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติในพังค ข, ขณะแห่งจิตในประวัติการมนณีสีของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและชีวิตตินสีก็ไม่ใช่กําลังเกิดชีวิตตินตรียะมูลกะในจก